หัวข้อประจําวาระอาบัตที่เป็นสัญญาอาบัตของผู้ได้สมาบัติอาบัติที่เกี่ยวด้วยศรัทธาเกี่ยวด้วยบริขารเกี่ยวด้วยบุคคลอาบัติที่ต้องเพราะเรื่องจริงเพราะแผ่นดินเพราะการออกไปเพราะการถือเอาเพราะการสมาทานเพราะการทําเพราะการให้เพราะการรับเพราะการบริโภค อาบัติที่ต้องในกลางคืนที่ต้องเพราะอารุณขึ้นที่ต้องเพราะการตัดที่ต้องเพราะการปกปิดที่ต้องเพราะการส่งไว้อุโบสถปรวรณากรรมกรรมอีกอย่างวัตถุวัต ถ, ถุอีกอย่างโทษโทษอีกอย่างสมบัติสองหมวดนานาสังวาสสมานาสังวาสปาราชิกสังคาทิเศษ ทุลจใจปาจิตตีปาติเทสนิยะทุกกฎทุกภาสิทธอาบัติเจกองอาบัติเจตสงแตกกันอุปสมบทอุปสมบทอีกสองไม่อาศัยอยู่ไม่ให้นิสยัยอภพพระบุคคลพัพระบุคคลจงใจมีโทษคัดค้านขับออกจากหมู่ เรียกเข้าหมู่ปติญญารับห้ามทำลายการโจทกระถินปริพโธดสองอย่างจีวรบาทเชิงบาทอธิษฐานสองอย่างวิกับวินันเนื้อหาที่ปรากฏในวิไนความขัดเกลวการต้องและการออกจากอาบัติปริวาสสองอย่าง มานัดสองอย่างรติเฉดเอื้อเฟื้อเกลือสองชนิดเกลืออื่นอีกสามชนิดบริโภคคำดา่าคำส่อเสียดคณะโพชนะวันจำพรรษาการงดปาติโมกการรับภาระสิ่งที่สมควรอนาบัติอธรรมวินยัยอาสวะ